คราวนี้หลวงพ่อให้อ่านบทความเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากการออกกำลังกายแบบไฟทิเบตเชียนไลท์นะครับทิเบตทิเบตเชียนก็มาจากคำว่าทิเบตเพราะนั้นก็เป็นการออกกำลังกายที่มาจากทิเบตนะครับซึ่งการออกกำลังกายแบบนี้เนี่ยเริ่มต้นจากพระที่ทิเบต ท, ท่านเป็นคนเริ่มต้นแล้วก็เผยแพร่ อ, ออกมานะครับแล้วก็ตอนแรกๆ ก, ก็ไม่ได้มีการกล่าวชัดเจน มากนักว่ามันมีเป้าหมายหรือว่ามีประโยชน์อะไรนะครับแต่ก็ท่านก็บอกว่าเพื่อให้เหมือนกับเพื่อให้ร่างกายของเราเนี่ยแข็งแรงขึ้นแล้วก็ช่วยให้การทํางานต่างๆเนี่ยของร่างกายดีขึ้นแล้วก็มีการถ่ายทอดกันมาเรื่อยๆทีนี้สิ่งที่น่าสนใจก็คือพระที่คิดเนี่ยเขาก็สอนบอกว่าเราต้องมีศรัทธาต้องมีความเชื่อ ในสิ่งที่เราทํานะครับว่ามันจะช่วยให้เราดีขึ้นเนี่ยก็จะช่วยให้การออกกําลังกายแบบไฟท์ทิเบตไลท์เนี่ย เ, เกิดประโยชน์สูงสุดเมื่อกี้ผมอธิบายว่าไฟท์ทิเบตไลท์ที่มาจากพระทิเบต น, นะครับอีกคํานึงที่น่าสนใจที่เขาใช้เขาใช้คําว่าไรท t R I T E right นะครับซึ่งถ้าแปลเป็นภาษาไทยเนี่ยอาจจะเป็นคําว่าพิธีกรรมแต่เราจะเห็นว่ามันเป็นการออกกําลังกายใช่ไหมครับแต่เขาไม่ใช้คําว่าการออกกําลังกายหรือว่าการฝึกฝนแต่เขาใช้คําว่าพิธีกรรม แปลว่ามันเขาให้ความสำคัญกับสิ่งนี้มากกว่าเป็นเพียงการออกกำลังกายแต่เป็นสิ่งที่อยากให้ทุกคนต้องทำแล้วก็มีศรัทธาแล้วก็มีความเชื่อกับมันว่ามันจะช่วยใหเ้เราในแข็งแรงขึ้นนะครับบทความที่อ่านเนี่ยก็มาจาก <c oughs> ครูท่านหนึ่งนะครับทีเ่เป็นคนสอนฟิทิเบตที่ไลน์เนี่ย เ, เขาก็พูดถึงว่าปัจจุบันมันก็มีเรื่องการตลาดที่มันโฆษณา ไลฟ์ที่เบรทไลฟ์ like, แบบเกินจริงไปเยอะเหมือนกันนะครับซึ่งในบทความเนี้เขาก็พยายามจะแก้ว่าเออตรงไหนที่มันเกินจริงไปบ้างแต่ว่าสิ่งที่อยากจะพูดถึงวันนี้เนี่ยก็คงเป็นเรื่องของประโยชน์จริงๆที่ครูคนนี้หลังจากที่เขาทำเบิร์กชอปเขาก็ได้สอนเขาก็ได้พูดคุยกับคนเขาบอกว่าเขาได้สอนคนมากกว่าพันคนนะครับแล้วเขาก็ได้สรุปออกมาว่าอ๋อจากการพูดคุยเนี่ยประโยชน์จากการทำห้าท่านเนี้ มีอะไรบ้างนะครับ อ, อ, อ๋ออีกประเด็นหนึ่งเขาบอกว่าจริงๆทำท่าใดท่าหนึ่งก็ได้นะครับแต่ว่าเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดเนี่ยก็ควรทำให้ครบ5ท่านะครับประโยชน์ข้อแรกของการทำไฟที่เบีิไลท์เนี่ยเขาบอกว่ามันก็จะช่วยเพิ่มพลังงานหรือว่าช่วยเพิ่ม Energy ในตัวเราเนี่ยอย่างมีนัยยะสำคัญนะครับซึ่ง Energy ที่มันเพิ่มขึ้นเนี่ยก็คงเป็นเรื่องของความทนทานความแข็งแรงความคงทน นะครับซึ่งในฝ่ายการตลาดเนี่ยก็มีการเอาไปโฆษณาว่าโหถ้าคุณทำไปนี่เหมือนคุณได้แบบดื่มกาแฟ6กแก้วต่อวันนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยครูคนที่เขียนบทความนี้ก็บอกว่าจริงๆก็ไม่ใช่หรอกเพราะว่าพลังงานที่เกิดจากที่เบต้า i ลทเนี่ยมันมีความคงทนมากกว่าคุณดื่มกาแฟเพราะว่าเวลาที่คุณดื่มกาแฟเนี่ยเวลาที่กาแฟมันหมดรท พลังคุณก็หมดแต่ไฟที T ่แบตเทไลเนี่ยเหมือนคุณทำมาแล้วคุณก็ทำมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆช่วยให้คุณมีความอึดหรือความแข็งแรงมากขึ้นนะครับอันที่สองเนี่ยเขาก็บอกว่าไฟที T ่แบเที่เนี่ยช่วยให้ผู้ที่ทำเนี่ยรู้สึกมีความสงบมากขึ้นแล้วก็มีความเครียดลดลงอารมณ์ไม่เสียง่ายเหมือนเมื่อก่อน ภาษาอังกฤษเขาบอกว่า your button simply don't get pushed as easily anymore คือแปลว่าไม่ได้ถูกกดปุ่ม ง, ง่ายเหมือนเมื่อก่อน น, นะครับเพราะฉะนั้นก็จะไม่อารมณ์เสียง่ายเหมือนเมื่อก่อนแล้วก็มีความคงทนความเข้มแข็งทั้งจิตใจ เ, เพิ่มมากขึ้นนอกจากนี้เนี่ยก็ข้อ3ก็จะช่วยให้จิตใจนะมีความคิดมีความแจ่มชัดแล้วก็มีความแหลมคมมากขึ้นเพราะเวลาที่เราทาไฟฟ์ที่แบทไล์เนี่ยมันก็ช่วยให้เรา จิตใจกับร่างกายของเรากลับมาประสานกันแล้วก็กลับมาอยู่ด้วยกันใช่ไหมครับแล้วก็กล้ามเนื้อต่างๆก็มีความแข็งแรงมีความยืดหยุ่นมากขึ้นข้อติดต่างๆมันก็จะน้อยลงนะครับความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อเนี่ยเพิ่มขึ้นแล้วก็บางคนทําก็อาจรู้สึกสนุกด้วยที่ได้เห็นกล้ามเนื้อของเราขยับไปขยับมารู้สึกถึงสะโพกรู้สึกถึงกล้ามเนื้อบริเวณขารู้สึก ถ, ถึงกล้ามเนื้อบริเวณหลังแล้วก็เพิ่ม โทนของกล้ามเนื้อนะครับโทนก็หมายถึงความตึงกล้ามเนื้อเนี่ยให้ดีขึ้นแล้วก็ช่วยให้กล้ามเนื้อหน้าท้องเนี่ยแข็งแรงขึ้นนะครับเราทํำทุกท่าก็ได้บริหารหน้าท้องหมดนะครับตั้งแต่ท่าที่2ท่าที่3ท่าที่4ท่าที่5ก็จะเป็นการบริหารกล้ามเนื้อหน้าท้องแล้วก็กล้ามเนื้อหลังได้อย่างดีเขาบอกว่าหากเราทํำนี้ทุกวันข้อถัดไปก็จะช่วยให้เรานอนหลับ ได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็บางคนนี้ก็อาจจะช่วยให้มีความฝันที่มันเหมือนกับชัดเจนมากขึ้นความฝันนี่ก็จะมี2 อ, อย่างนะครับฝันอย่างนึงคือเบลอจาอะไรไม่ค่อยได้แล้วก็ช่วยให้เราสึกมันหลับไม่ค่อยสบายแต่ว่าการทําไฟฟ์ที่เบตที่ไลน์เนี่ยบางคนก็บอกว่าช่วยให้มีความฝันที่ชัดเจนขึ้นแล้วก็ช่วยให้สุขภาพโดยรวมดีขึ้นนะครับไม่เป็นหวัดหรือเป็นโรคอะไรต่างๆบ่อยๆ นะครับแล้วก็เรื่องทางจิตใ จ, จเนี่ยเขาบอกว่าก็ช่วยให้อารมณ์ซึมเศร้าอารมณ์วิตกกังวลดีขึ้นนะครับแล้วก็ช่วยให้เราเนี่ยกลับมาเซนเตอร์อยู่ที่ตัวเราได้มากขึ้นมีสมาธิมีความสงบมากขึ้นแล้วก็ช่วยให้เราฝึกระเบียบวินัยกับตัวเราเองมากขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ช่วยให้เราสามารถโฟกัสหรือว่ามีความตั้งใจกับสิ่งต่างๆเนี่ยได้มากขึ้นคนที่ทํา เขาบอกอีกว่าออทำให้เรารู้สึกอ่อนเยาวแล้วก็มีกำลังมากขึ้นนะครับในเรื่องของการหายใจก็ช่วยให้การหายใจเนี่ยดีขึ้นเวลาที่เราทำเรารู้สึกว่าเรารู้สึกถึงลมหายใจของเราได้ชัดช่วยให้ลมหายใจของเราลึกขึ้นนะครับช้าลงแล้วก็ช่วยให้เราเนี่ยรู้สึกตัวได้มากขึ้นด้วยนะครับออคนที่ทำเนี่ยก็บอกอีกว่ามันเพิ่มระดับของพลังชีวิต ช่วยเพิ่มพลังปรานพลังจี้นะครับหรือพลังฉี่เนี่ยนะครับให้มากขึ้นแล้วก็ช่วยให้เรามีโพสเจอร์หรือว่ามีท่าทางอะไรเนี้ยได้ดีขึ้นนะครับ จริงๆถ้ามองดีๆมันก็เป็นผลสืบเนื่องจากข้ออื่นๆเนาะเวลาที่กล้ามเนื้ออะไรมันยืดหยุ่นได้ดีขึ้นเวลาที่เรานั่งตัวเราก็า จ, จะตรงขึ้นนะครับไม่หย่อนเหมือนเดิมพัฒนาความแข็งแรงได้อย่างดีช่วยให้มีความแข็งแรงในการออกกำลังกายต่า ง, ออกก ง, างๆในชีวิตประจำวันของเราด้วยนะครับบางคนเนี่ยบอกว่าทำไฟที่เบสท์ไลท์แล้วเนี่ยช่วยให้น้หนักตัวลดลงนะครับแต่ว่า ก็ไม่ใช่ทุกคนแล้วก็แต่คนส่วนใหญ่เนี่ยก็มักจะให้ฟิทแบ็ว่าหลังจากที่ทําไฟฟ์ที่เบที่ไลฟ์เนี่ยช่วยให้ควบคุมน้ําหนักได้มากขึ้นแล้วก็อาจจะต้องการอาหารที่มีประโยชน์อนอกจากนี้ก็ยังช่วยให้การย่อยอาหารแล้วก็เรื่องของการขับถ่ายเนี่ยดีขึ้นนะครับสําหรับผู้หญิงเนี่ยก็ช่วยลดอาการช่วงหมดประจําเดือนหรือช่วงที่เปลี่ยนผ่านจากช่วงที่มีประจําเดือนจะเปลี่ยนไปเป็นช่วงหมดประจําเดือนเนี่ยก็ช่วยลดอาการต่างๆอาการงุดหงิดอะไรพวกเนี้นะครับ แล้วก็ช่วยลดช่วงมีประจําเดือนช่วยลดอาการช่วงมีประจําเดือนนะครับช่วงก่อนมีประจําเดือนเนี่ยผู้หญิงก็จะมีอาการต่างๆค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็นอกจากนี้ก็อาจจะช่วยเรื่องอสมรรถภาพต่างเพศด้วยนะครับก็อันนี้ก็เป็นประโยชน์ที่คุณครูที่สอนเนี่ยรวบรวมเอาไว้จากการที่เขาได้พูดคุยกับคนต่างๆที่มาเรียนกับเขาทั้งแบบส่วนตัวทั้งแบบเบิร์กชอปแล้วก็ หรืออาจจะจากหนังสือจาก DVD แล้วก็ฟีดแบ็ที่เขาได้รับนะครับโดยหลักการของไฟฟ์ที่เวียทีไลเนี่ยเขาบอกว่าคนเราเนี่ยมีจุดสําคัญอยู่ทั้งหมด7จดเจุดอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดศูนย์กลางของพลังชีวิตภาษาอังกฤษเขาเรียกวอ r t e x ็กซ์จุดศูนย์กลางเนี่ยมันจะเป็นจุดศูนย์กลางของพลังสนามแม่เหล็กซึ่งการที่เราไปกระตุ้นมันเนี่ยก็จะทําให้เหมือนกับความมีชีวิตความอ่อนยาวหรือการทํางานของเซลล์เนี่ยมันทํางานได้ดีขึ้นแต่ถ้าเกิด อไอ้เจ้าสนามแม่เหล็ก7จุดเนี่ยมันทำงานช้าลงไม่ค่อยทำงานเท่าไหร่เนี่ยก็จะนำไปสู่ความชาราความแก่นะครับหรือว่าความเสื่อมโทรมของร่างกายอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ได้จากบทความนี้นะครับประสบการณ์ของผมเองก็สามเดือนนี้ก็ดีขึ้นมากนะครับก็รู้สึกอย่างน้อยอันแรกที่เห็นชัดๆเลยที่เห็นตรงกับเขาก็เรื่องความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อเนี่ย ชัดมากนะครับปกติเนี่ยผมเป็นคนที่ความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อเนี่ยแย่มากนะครับเลองถ้าเรายืนตรงแล้วลองเอามือแตะที่ฝ่าเท้าเนี่ยเอาเอามือแตะที่ปลายเท้าเนี่ยค้มลงมาผมจะทําไม่ได้ครับแต่ว่าเออพอเราฝึกบ่อยๆตั้งแต่ท่าที่1ถึงท่าที่5้าเนี่ยมันรู้สึกว่าเออกล้ามเนื้อมันยืดหยุ่นได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เหมือนกับเวลาที่เราทําอะไรมันสปริงที่มันเด้งได้ดีขึ้นเนี่ยมันก็ช่วยให้ความคล่องตัวเนี่ย สูงขึ้นอันนี้ผมคิดว่าเป็นประโยชน์ที่ได้รับนะครับแล้วก็จากเดิมเนี่ยอาการปวดหลังนี่เคยพูดหลายครั้งว่าจริงๆเกิดจากการที่กล้ามเนื้อมันตึงมากพอเราได้ยืดเนี่ยมันก็ช่วยหลายส่วนเลยยืดทั้งหลังยืดทั้งคอแล้วก็ในหนึ่งท่าเนี่ยผมคิดว่ามันทำให้เราบริหารหลายส่วนนะครับอย่างท่าที่สองเนี่ย ก็ทั้งกล้ามเนื้อขากล้ามเนื้อหลังแล้วก็กล้ามเนื้อหน้าท้องแล้วก็ต้นของเรามันก็ถูกบริหารหมดเพราะฉะนั้นในหนึ่งท่าเนี่ยมันได้กล้ามเนื้อหลายมัดเลยแล้วก็ช่วยให้ความยืดหยุ่นหรือโทนของกล้ามเนื้อเนี่ยดีขึ้นจริงๆครับที่หลังนี้ตอนนี้ก็ไม่ไม่มีอาการแล้วครับที่ไหล่ก็ไม่ที่ไหล่ก็ไม่มีแล้วแต่ทําแล้วผมก็รู้สึกสนุกนะครับ เ, รเวลาทํามันได้ได้ยินเสียงกอกกอกแกรกไม่รู้มัทําแล้วได้ยินแล้วบาทีมันก็สนุกดีนะครับเหมือนกับเออมันมีเเเสียงกอหมืนราไดด้ั ดัดนู่นดัดนี้ให้มันเข้าที่เข้าทางเพราะว่าผมพบว่าจริงๆทําตอนเช้าก็ดีด้วยเพราะว่าตอนนอนเนี่ยมันเป็นจังหวะที่เหมือนกับกล้ามเนื้อมันหดนะบางทีอากาศมันเย็นหรือมันอะไรเนี่ยการได้ยืดตอนเช้านี่ก็เป็นก็เป็นจังหวะที่ดีเหมือนกันครับปกติเวลาที่เราออกกําลังกายเรามักจะทําตอนเย็นๆซึ่งจริงไม่รู้มันเป็นช่วงที่กล้ามเนื้อมันล้าแล้วมันเหนื่อยแล้วหรือเปล่าแต่ว่าพอทําตอนเช้ามันเหมือนพอเรานอนอากาศเย็นๆตื่นมากล้ามเนื้อที่มันหดอยู่มันได้ยืดมันก็จะมันก็จะพอดีแล้วมันก็จะเหมือนกับรู้สึก สดชื่นมากขึ้นครับอันนี้ก็เป็นผลที่ได้กับตัวเองส่วนเรื่องน้ําหนักลดเนี่ยผมคิดว่ามันก็เป็นด้วยจากอาหารด้วยจากจากการออกกําลังกายนี้ด้วยจริงๆออกกําลังกายเสร็จแล้วจะรู้สึกร้อนไม่รู้คนอื่นเป็นไหมมันก็เหมือนกับรู้สึกว่าเออทัศไฟในตัวมันก็ทํางานมากขึ้นเหมือนจะไม่เหนื่อยแต่ก็ได้เหงื่อแล้วก็ได้ความร้อนที่มันระบายออกมานะครับก็อันนี้เป็นสิ่งที่รู้สึกเรื่องการหายใจก็ ทำให้เรารู้สึกหายใจชัดขึ้นเนอะพอมาพนวกกับเรื่องการเจริญสติแบบเคลื่อนไหวเนี่ยก็เวลาที่เราขยับเราก็รู้สึกร่างกายเราได้ชัดขึ้นเวลาที่ความคิดมันแวบออกไปก็กลับเข้ามาอยู่กับท่าที่เราต้องทำกับจังหวะที่เราต้องทำในการออกกำลังกายแบบไฟฟ์ทีเบตทไล่เนี่ยอันนี้ก็ผมคิดว่าผมก็ค่อนข้างเห็นด้วยกับกับสิ่งที่เขาพูดนะครับว่าหลังจากที่เราทาเนี่ยมัน ได้ประโยชน์อะไรบ้างนะครับแต่ว่าบางประโยคที่เขาพูดถึงว่าเออมันอาจจะโอเวอร์เคลมอย่างเช่นทำใหออ้คุณอายุเหมือน25อะไรก็อันนี้มันก็เป็นเรื่องการตลาดที่บางทีมันก็ เ, ออเยอะเกินไปที่มันโอเวอร์เคลมแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าอาจจะเป็นประโยชน์ก็คือว่าสำหรับออคนทุกคนที่อยากทำอันเนี้ยกออ็สำหรับบางคนถ้าอายุเยอะๆก็อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนท่าทางนิดหน่อยนะครับ ซึ่งเพื่อให้เหมาะสมแล้วก็เพื่อให้เกิดอันตรายต่อส่วนต่างๆร่างกายเนี่ยน้อยลงด้วยเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เขากล่าวถึงเอาไว้ในบทความครับก็มาได้ผ่านการออกกำลังกายทั้งโยคะทั้งไทเก็กทั้งไทชีท่วงท่าล่าสุดเพราะเนื่องจากตัวเองเป็นทั้งโรคกระเพาะโรคหัวใจปลายประสาทเสี่ยมไมเกรนภูมิแพ้ แล้วก็ดินที่โลกเหล่านี้ไม่เหลือลงรอยเลยนอกจากภูมิแพ้นิดหน่อยนะถ้าอากาศหนักๆฝนตกตอนเมืองกระไวันจริงแต่เราก็แก้ด้วยการออกลงกายให้มากขึ้นแล้วท่าเหล่านั้นก็เลยล่าสุดที่เห็นผลชัดอย่างโยคะเนี่ยต้องใช้กำลังมากใช้เวลานานกว่าจะเห็นผลชัดแล้วก็ท่วงท่าใช้ท่าซับซ้อนแล้วก็ใช้เวลา นายโยคะตระกูลต่างๆโยคะทั้งไทยทั้งแขกทั้งจีนทั้งทิเบตก็ดีทุกอย่างนะแต่ว่าพอมาทำทีิเบตเทนไลท์ก็มันดีขึ้นตรงเรี่องหนึ่งควบคุมเวลาได้สองเพิ่มท่าได้สามยืดหยุ่นได้ต่อยอดได้สีก็อินคลูดรวมเอาส่วนอื่นๆของทิเบตของไอโยคะของไทยฉีนเข้ามารวมอยู่ในชุดนี้หมดเลย ตั้งแต่ทำเรื่องนี้มาไม่ไม่ถึง3เดือนนะนะไม่ถึง3เดือนก็รู้สึกมันเปลี่ยนแปลงร่างกายที่เคยตื่นมาแล้วปวดนั่นปวดนี่ที่เห็นชัดคือการขับถ่ายการขับถ่ายการไอเรื่องท้องเรื่องไส้เรื่อ ง, อ ง, อ ง, อ ง, งต่างาดีมากเลยนะเกรว่าเอ๊ะน่าจะเอามาทดลองก็ได้ผลกล้ตัวเอง แล้วก็ไม่ซับซ้อนแค่ห้าท่าแต่ถ้าต้องการพลังในส่วนไหนก็เพิ่มเอาเพิ่มจำนวนแต่ที่ทำสิบครั้งยี่ิบครั้งก็เป็นสา4สิี่ิบครั้งขึ้นไปต่อท่าอันนี้ก็ให้เห็นอันนี้สงูงนั้นเมื่อวานยุมน้องถามเรื่องนี้ขึ้นมาเอามาเลยค้นหาหลักฐานก็ให้พอได้แล้วให้หมอมาแปลเพราะมันมีศัพท์แพทย์เยอะอย่างเขาว่ามอร์เซนเตอร์เนี่ยเข้าไม ถ้าว่าจำถ้าเป็นศัพท์ทั่วไปก็จะคอนเซนเทรตคอนเซนเทรชันหรือสเตเบิลไลฟ์แต่เขาไม่ใช่เขาโมร์เซนเตซึ่งถ้าไม่ใช่เป็น uh, คนใช้ศัพท์นี้ประจําก็จะไม่รู้ปแปลว่าอะไรแล้วก็อะไรหนะ้าที่กดปุ่มอารมณ์เสียง่ายอะ่ะคือเราถูกกดปุ่มให้อารมณ์ดีก็ได้อารมณ์เสียเราปุ่มตัวนั้นเราจะไม่ถูกกดอีกใครมากดให้อารมณ์เสียเราก็จะไม่เสียใครมาปดให้อารมณ์ดีเราก็จะไม่ดีการที่เขาคําพูด ที่ ก, กระทบกับเราม า, มากดปุ่มเราแต่เราจะไม่ไม่เปลี่ยนแปลงไปตามปุ่มที่เขากดนะศัพท์ที่เขาใช้เป็นเขาเรียกเป็นอียิปต์เนาะนอกนั้นมีอะไรที่เป็นอียิปต์ถะว่าในการเอาไปใช้ตอนเช้ า, ชามาว่าเอ๊ะพอออกกาลังกายแล้วยังได้ยินเสียงฟูดฟิตฟฟิ ต, ฟ ต, ฟตเอแสดงว่ายังไม่ความร้อนยังไม่พอเลยเอาอชาของ แกนตะวันอบเ น, นี่ยเอาไปให้ดื่มแก้วหนึ่งเอ๊ะเสียงครูฟิทหายไปสด็เดมอนเวิร์กนั่นน่ะเพราะนั้นเอามาจะเห็นคนเจ็บคนป่วยเนี่ยมาจะอยู่ไม่ค่อยได้เพราะเห็นความทุกข์เพราเราเคยทุกข์อย่างนั้นมาก่อนมันหมุนหมีลรงคาแล้วมันเอฟเฟกต่อส่วนอื่นไปหมดฉะ น, นั้นเองก็ในการดูแลสุขภาพของตัวเองมันมีอันนี้สงูงนอกจากเราได้รับความสบายแล้วก็ได้ทําบุญก like ับคนอื่นแล้วเป็นธรรมทานได้ช่วยเหลือคนอื่นเราเห็นคนอื่นมีความสุขเห็นคนใกล้ตัวเองมีความสุข <c oughs> เห็นใครคนใกล้ตัวเองไม่ระเบียบ เราก็รู้สึกว่าออชีวิตของเราก็มีคุณภาพไปด้วยมีคุณค่าไปด้วยเพราะฉะนั้นทุกท่านที่ที่มาเนี่ยควรจะไปเป็นต้นแบบของครอบครัวในการมีสุขภาพดีโดยเฉพาะหลายท่านที่มีสุขภาพทางกายทางจิต เ, ออเราก็เอาไปทําชุดนี้คุณอิดาได้ทําทุกวันวรึเปล่าส่วรมอายุคนเกินร้อยก็มีแล้วของหมออะไรโมเสกเนาะโมเสกตั้ง แต่อนนี้ท่านเกือบร้อยน้องหมอเสกเก้าสิบป่าละโดยเฉพาะหมอเนี่ยต้องอายุยืนกว่าเพื่อนต้องแข็งแรงกว่าเพื่อนเ <Okay. S 1> พราะอะไรเพรรู้ดีว่าอะไรมันดีอะไรไม่ดีถ้าหมอตายก่อนเพื่อนป่วยนี่แสดงว่าหมอไม่ได้ทำํำตามความรู้แล้วก็ไปสอนให้คนอื่นทําเป็นเป็นธุรกิจแต่ว่าตัวเองไม่ได้ไประโยชน์จากนั้นก็จะเป็นการทําบาปในตัวนะเพราะว่าเราทําไม่ได้เราไปสอนคนอื่นทำเพราะนั้นโชคดีปีนี้หมอ อ่ามาบวชด้วยกับเราหมอวิชัยแล้วต่อไปในคลีฟหมอวิชัยก็จะมีอะไรอ่ะมีห้องฝึกเรื่องนี้โดยเฉพาะเนั้นเวลาคนไข้มาก็ไม่ต้องพูดอย่างเดียวแล้วพาทําเลยวงั้นนะพาทำสร้างจังหวะพาที่เบสเทีนไลท์แต่ท่วงท่า น, นี่ยังไม่ได้ให้นะ่ะเพราะฉะนั้นนมาก็เลยได้ช่วยเพื่อนมนุษยนะ์ในชีวิตมีความหมายได้กําไรชีวิตนะได้บุญด้วยเราเกิดมาทั้งทีเอาแต่ตัวรอดคนเดียวมันคงไม่คุ้มกับชีวิตนี้มั้ง แต่ช่วยให้เขาดีขึ้นทั้งกายทั้งใจไม่ใช่ช่วยไปยุ่งกับไปไปอินเตอร์เฟีย์หรือไปแทรกแซงไปจุนจ้านกับเขาโดยที่เราไม่ได้แหกเขาเลยเนี่ยก็ทําให้เราเสียเวลาแต่ถ้าสมมุติว่าเราทําให้เราเข้มแข็งแล้วก็มีอารมณ์ดีมีร่างกายเข้มแข็งคนอื่งเขาเห็นได้คุณมีอารมณ์ดีกว่าเก่ามีสุขภาพดีกว่าก่าคุณทํำยังไงตรงนี้แหละเป็นโอกาสของเราจะได้ช่วยเขาแต่เรามาปฏิบัติทำแล้วออกกําลังกายแล้วยัง าเจ็บป่วยยังขี้โรคยังกินยาเยอะเหมือนเดิมนี่เกิดแต่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเพราะเราทําไม่จริงนะทําจริงแล้วเราต้องมีการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าสุขภาพกายสุขภาพจิตอืมหรือว่าเรามาคุณทักหลายคนแคนประมาณอายุสี่สบนะแต่คนจริงมาหกสิห้าหสิบหกแล้วนะแสดงมันอ่อนกว่าถึงยี่ห้าปีใช่ไหมหมอไม่ใชอันนี้อันนี้พิสูจน์ได้นะเพราะนั้นก็ต้องไปฝึกทํามันดูนะ แต่เราก็ไม่ต้องการอายุมากที่เจ็บป่วยแล้วก็ไม่สบายอ่อนแอไม่เอานะต้องการอายุมากเราเข้มแข็งด้วยนะะเพื่ออะไรเพื่อเราจะได้ทําอาสวะให้สิ้นอยู่ให้เต็มที่ชาตินี้ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกเอยู่เมื่อกี่ร้อยปีก็อยู่ไปแต่ว่าตายแล้วไม่ต้องกลับมาเกิดอีกเพื่อให้สิ้นอาสวะทางการที่อาสวะทางจิตมันสิ้นสิ้นได้ถ้าร่างกายอ่อนแอเนี่ยมันเป็นไปได้ยากเหมือนเราจะเดินทางไปสู่เป้าหมายเท่านั้นลดเราไม่ดีล่ะไปสู่เป้าหมายไม่ได้เนหะมือนกัน เราต้องการไปทำลายอาสวะเป็นขั้นละเอียดใช้ปัญญามากแต่ถ้ า, าร่างกายเราไม่ดีสติปัญญาเราก็ไม่แหลมคมละนะเพราะฉะนั้นนี่สัมพันธ์กันนั้นในช่วงเช้านี้เราก็ได้ประโยชน์จากเรื่องนี้ต้องขอขอบคุณคุณน้องที่ทักท้วงเรื่องนี้กระมำเอามาเล้าหาหลักฐานมาให้ก็เดี๋ยวหลังจากทําธุระส่วนตัวเสร็จ ท, ทุกคนเข้าอยู่ประจําที่ของตัวเองเลยนะ